สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อเรื่องชีวิตพระเยซูตอนที่434เรื่องการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคำว่าเทคือการหลั่งลงมานะครับหลั่งไหลลงมาจากเบื้องบนหมายถึงการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับผู้เชื่ออย่างไม่จำกัดพี่น้องครับเมื่อ คนหนึ่งคนใดเริ่มต้นที่จะรับเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเขาได้รับการบังเกิดใหม่เขาได้รับอัปสมาเข้าในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีพระเยซูนั้นเป็นเดอะแบ็กไทเซอร์ก็คือเป็นผู้ให้บัพติศมาก็คือพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตและให้ชีวิตเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณนี่คือพระพรพิเศษสําหรับลูกของพระเจ้าซึ่ง ได้เชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการรับบัพตมาด้วยพระวิญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรอดครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความรอดเป็นส่วนหนึ่งของการบังเกิดใหม่ซึ่งพระเจ้าประทานกับเราโดยทางความเชื่อในพระเยซูและเรายังมีหลักฐานพระมัมพีเดิมนะครับในพระธรรมโยเอลนะครับและในพระมมพีใหม่ก็ยังมีเปโตพระธรรมเปโตนะครับที่แสดงถึงพระสัญญา ของพระเจ้าที่จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในผู้เชื่อในโพชนะผู้ผลโฉนยาโยเอลเน้นครับว่าพระวิญญาณ น, นั้นเป็นของประธานสำหรับมวลชนเปโตก็ยกข้อความตอนนั้นนะครับมากล่าวในกิจการบทที่สองเหมือนกันแต่ความว่าในวาระสุดท้ายนั้นเราจะเทฤบเดชแห่งพระวิญ ญ, ญาณของเราโปรดประธานแก่มนุษย์ทั้งปวง เพี่น้องคับการประทานหรือการพระราชทานพระวิ ญ, ญาณสุทแก่มนุษย์ทั้งปวงนั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่ไม่พร้อมก็คือยังไม่ได้กลับใจยังไม่มีความเชื่อความศรัทธายังไม่มีความพร้อมภายในที่จะรับแต่คําว่ามนุษย์ทั้งปวงนั้นมีความหมายว่าไม่คํานึงถึงสถานภาพและสิทธิภายนอกเช่นเพศอายุลำดับชั้นเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นบุตรตาบุตรตรีคนหนุ่มคนแก่ชาติหรือชาสีล้วนแต่มีสิทธิในการรับพระราชทานของขวนนัญนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามนุษย์ทั้งปวงนั้นมีความหมายว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่ต้อนรับพระเยซูที่มีความศรัทธาในพระเยซูไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตาม อยู่ไกลนี่หมายถึงคนต่างชาติครับตรงคนต่างชาติก็จะรับพระราชทานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ด้วยโดยความรวมสรุปก็คือว่าทุกๆคนที่กลับใจนะครับบังเกิดใหม่เขาจะได้รับพระชาญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเขานั่นคือการบัพติศมาพระวิญญาณสุดนะครับโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเข้าไปนะครับในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับ ในยุคพันธสัญญาเดิมแม้ว่าทุกคนที่เชื่อนะครับพระเจ้าก็ประทานสิทธิกับให้เป็นลูกของพระองค์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาในพระกมภีร์เดิมเสด็จมาลงบนกลุ่มคนพิเศษเท่านั้นสำหรับงานพิเศษในโอกาสพิเศษบางอย่างพระองค์ยังทรงตตะเตรียมบุคคลพิเศษสาหรับหน้าที่พิเศษดังที่เราเห็น แต่ในปัจจุบันนี้พี่น้องครับฟังให้ดีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ภารกิจของพระยั ญ, ญบริษุทนั้นกว้างขวางลึกล้าทับซ้อนยิ่งกว่าในยุคพันธสัญญาเดิมนั่นคือการเทลงมาของพหุยัญบริสุทธิ์ครับนั่นคือ ง, งานของพหุยัญสุดในยุคพันธสัญญาใหม่มันมีแหวนความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับอย่างน้อยสามประการอย่างนี้พี่น้องครับประการแรกก็คือ เราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แย่งแบ่งแยกเพศไม่แย่งไม่แบ่งสถานภาพทางสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติไม่มีการแบ่งครับมนุษย์ทั้งปวงที่เชื่อนะครับจะถูกบัพติสมาเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณหมายความว่าถูกจุ่มเข้าไปถูกเอาเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณนะครับ ถูกนําเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการที่สองก็คือจะได้รับการพัฒนาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราประการแรกอยู่ในอยู่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับประการที่สองคือมีพระวิญญาณบสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเรานะคนที่เชื่อพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและมีประสบการณ์บังเกิดใหม่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาพระวิญญาณเป็นสถิตอยู่ในชีวิตของเขาและการสถิตของพระวิญญาณสุทธิ์ครับผมเลย กล่าวหลายครั้งพูดหลายครั้งครับว่าเมื่อพระเยซยูมิสุตเข้ามาในชีวิตของเราแล้วนะครับพระองค์จะไม่ละทิ้งเราอีกต่อไปหรือไม่เคยจากเราออกไปเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพระสัญญาในพระพระกัมภีใหม่นะครับและในานาจาักของพระเจ้าที่พระเยซูได้สัญญาไว้ประการที่สามครับงานพิเศษโดยเฉพาะของพระเยซูสิทุินั้นเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์อย่างแยกกันไม่ได้ ก็อย่าลืมนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในเราและเป็นผู้ที่พระเยซูส่งมานะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูการที่วิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราก็เท่ากับพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราก็จะเป็นภารกิจ ที่พระเจ้ามอบหมายก็คือการชำระให้บริสุทธินั่นเองมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อให้เป็นเหมือนกับพระเยซูครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อให้เหมือนกับพระเยซูและสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงทาหน้าที่ก่อนพระเยซูขึ้นเสด็จมานั่น ห, หมายความว่าครับหมายความว่า เมื่อหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วนั่นเป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและนี่คือยุคของคริสตจักรที่พระเจ้าโปรดเมตตาเราให้เราเป็นสมาชิกของคริสตจักรให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั่นเองเพียงขับเปโตนั่นกล่าวว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์จงกลับใจเสียใหม่และรับอัตมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายและกับลูกหลานของท่านด้วยแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์พี่น้องครับพระกัมปีตอนสุดท้ายนะครับกระทบใจพี่น้องไหมครับ คนที่องค์พระผเป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์ทําให้เรารู้นะครับว่าคําสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับของประทานหรือการรับปัสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธินั้นมีไว้เพื่อทุกๆคนครับไม่ได้มีไว้จํากัดแค่บางคนเท่านั้นมีไว้เพื่อทุทกๆคนที่พระเจ้าเรียกเราคําสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวโยงลึกซึง้งกับการทรงเรียกของพระองค์ ทุกคนที่รับการทรงเรียกจากพระเจ้าก็จะรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับบัตรสมาธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตและเราจะอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกันกับผู้เชื่อทุกๆคนนี่เป็นพระพรมหาศาลยิ่งใหญ่มากครับ ที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นโปรดอย่าดับพระวิญญาณครับโปรดอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ <c oughs> ที่โปรง่งด้ทรงกระทํำพระกิจในชีวิตของเราอาเมน